จเจริญพรโยมไม่ไปบ้านตากกันหลวงพ่อก็ไปมาแล้ววันงานไม่ได้ไปเพราะรับนิมนต์ที่เชียงใหม่ไว้ก่อนแล้วสอ น, นงานอาจารย์มหาบัวบอกให้แล้วมันจะมีคนฟังหรอมีกี่คนก็เทศหรอกครูบาอาจารย์ก็สิ้นไปเรื่อย ถ้าใครมาที่สาราลุงชินนี้ น, น, นานๆหลายๆปีจะเห็นว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนรุ่นไปเยอะลนะรุ่นแรกๆสิ้นไปเป็นลําดับลําดับแต่ก่อนหลวงพ่อพุทธก็ามานหลวงพ่อพุทธหลวงปู่เลียนเลยหลวงปู่จันโสมหลวงปู่จันแหลมหลวงพ่อพวงหมดหลวงพ่อทูล อันนี้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มีหลวงปู่ท่อนอยังอยู่พวกเราจะหวังพึ่งครูบาอาจารย์นะหวังไม่ได้นะเพราะครูบาอาจารย์ก็มีธาตุมีขันถึงวันหนึ่งก็เสื่อมสลายหมดเรี้ยวหมดแรงตายไปตามธรรมชาติสิ่งที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งได้เลยไม่ใช่ตัวคนหรอกเราต้องเอาธรรมะเป็นที่พึ่ง พระพุทธเจ้าท่านก็สอนมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตอนหลวพ่อเด็กๆนะก็รู้สึกว้าเวเรามีสุกสอนมาแต่เด็กว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสโละพระพุทธก็ตายไปแล้วตอนเด็กๆคิดอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ตายสิ้นนิพพานไปแล้วที่พึ่งใหญ่ของเราหายไป ละธรรมก็ไม่รู้จะพึ่งได้ยังไงอยู่ในตู้ระสงฆ์ก็ไม่รู้จะไปพึ่งองค์ไหนตอนเด็กๆ เ, เ, เรียนหนังสืออยู่ในวัดตอนกลางวันนะเข้าไปในโบสถ์ไปนั่งสมาธิเนี่เด็กประถมก็นั่งสมาธินะตอนเด็กๆแต่บางวันก็สนบางวันก็ไปเล่นบางวันก็ไปนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์อยู่เงียบๆดูนะพระประธานท่นเาเก้าเก่า ปั้นด้วยปูนเคยเดินเข้าไปจับเข่าท่านอะปูนติดนิ้วออมานเลยโอ้พระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเด็กๆคีดอย่างนั้นะนละ้วนะเราไม่มีที่พึ่งพระธรรมก็ไม่รู้จะพึ่งยังไงอยู่ในตู้ธรรมะก็มีเยอะแยะเลยเนตใจที่มันไม่มีที่พึ่งนะเรื่อรู้สึกว่าเว่ ต่อมามาภาวนามากเข้ามากเข้าเรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ตายหรอกไม่ทรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตเราที่แหละลงที่จิตอันเดียวนี้เอ ง, งจิตที่เข้าถึงธรรมะนั่นเป็นจิตที่เป็นพระสงฆ์จิตที่เข้าถึงธรรมะนั่นแหละเป็นพุท ธ, ธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานลงเป็นธาตุเดียวกันเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุ เห็นทารู้นพระพุทธก็ทธรรมประสงค์ไม่เคยหายไปไหนถ้าเราเข้าถึงธรรมธาตุเราก็จะเห็นไม่ว้าเวีแต่การปฏิบัติมันก็มีเป็นขั้นเป็นตอนไปค่องค่อยฝึกไปนี่รูบาอจารย์ท่านบอกมานะ้มาเล่าให้ฟังต่อหลวงพ่ออาจจะมีจังหวะดีกว่าพวกเราหลายคน ไ, ได้ พบครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะท่านเมตตาเข้าไปหาท่านนะไปด้วยใจอ่อนน้อมอยากได้ธรรมะเข้าไปหาท่านมีอะไรท่านก็เล่าให้ฟังบ้างบอกให้ฟังนะบางอย่างก็แปลกแปลกจำจำมาหลวงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปน็นอันเดียวกันนะไม่ตายด้วยนะไม่ตายแล้วเราก็ลองมาภาวนาดูว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างที่ท่านว่า ขานาให้ใจเราเข้าเป็นอันเดียวกับธรรมะให้ไดนะ้ใจของเราตอนนี้ไม่เป็นอันเดียวกับธรรมะหรอกใจของเราเป็นอันเดียวกับอาธรรมลองดูที่ใจเราสิเฟอร์แมไ่ไหลกีเลยเราไปกินทุกทีเลยนะพื้นเดิมของมันนะชั่วนะพื้นเดิมของใจของเราเองเนะี่ยไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกดังใจของเราโดยธรรมชาตินะมันใสมันสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์ มันโง่มันถูกกิเลสย้อมโดยมันไม่รู้เนือ้อรู้ตัวมาแต่ไหนแต่ไรตกเป็นทาตของกิเลสตกเป็นทาตของตัณหามาแต่ไหนแต่ไรมันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรอกก็คิดแต่ว่ากูดีกูดีกูดีคนอื่นหอกที่เร็วกูเท่านั้นดีนะใจมันไม่เข้าใจความจริงไม่เห็นถูกกิเลสหลอกถูกกิเลสบังก็นะต้องมาฝึกฝนตัวเองค่อยๆชาระล้างกิเลสออกจากใจให้ได้ บางคนเรียนธรรมะมักง่ายไปนะไปได้ยินบอกจิตมันเป็นประพัดสอนจิตมันประพรัดสอนมันโปร่งใสเหมือนน้ําที่ใสอ่ะน้ําที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะนะแต่ว่าพอมีกิเลส จ, จอนมาแล้วก็กลายเป็นน้ําขุ่นไปเป็นน้ําเน่าน้ําเหม็นอย่างนี้งั้นจิตเดิมดีอยู่แล้วนี่คิดมักง่ายนะคิดมักง่าย น้ำที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอาจจะมีเชื้อโรคก็ได้แต่มองไม่เห็นจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้โดยตัวของมันโดยพื้นเดิมของมันนะผ่องใสสว่างนะแต่สกปรกมีเชื้อโรคมีกิเลสวิชาตันหาอุปาทานแทรกอยู่ข้างในมันละเอียดจนเรามองไม่เห็นเราก็เลยว่ามันสว่างดี งั้นพระุทธเจ้าถึงสอนเอยจิตนั้นเดิมมันประผัดสอนมันผ่องใสมันสว่างแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเป็นกล่าวๆอันนี้หมายถึงอาการที่น้ํามันเน่าให้ดูแล้วตอนที่น้ํามันยังไม่เน่าให้ดูนะเหมือนจิตโดยทั่วๆไปจิตพื้นๆนี่มันสว่างสว่างมันใสแต่โสภปลกมีกิเลสซ่อนอยู่มันมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ในน้ําที่ใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่มันมีเชื้อโรค จิตที่สว่างจิตที่แจม่มใสเนี่ยเลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัย ไ, ไม่ได้ยังเป็นจิตที่อมโรคอยู่เราต้องมาชําระล้างจิตเนี่ยให้หมดจดจากกิเลสจริงๆจะถึงความบริสุทธิ์คําว่าประพัสดสอนผองใสกับคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันในจิตของเราไม่บริสุทธิ์หรอกแต่จิตเดิมของเราแต่ละคนประพัสดสอ น, นพอกิเลสหยาบๆมาจิตก็ขุนก็มัวนะไม่แจ่มใส ทำไมจิตยังขุ่นยังวัวไม่แจ่มใสได้มันมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะพอได้อาหารเข้าไปเชื้อโรคมากขึ้นมากขึ้นน้ําเน่าให้ดูได้ถ้ามันไม่มีสิ่งโสปครกซ่อนเร้นอยู่เลยนะมันก็ไม่เน่าขึ้นมามนไม่มีโอกาสเน่าขึ้นมาได้งั้นเราต้องมาชําระล้างใจของเราให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ให้ได้เครื่องมือในการที่จะชําระล้างใจของเราให้ถึงความบริสุทธิ์นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้ว ก่อนที่ใจจะบริสุทธิ์เนี่ยกายวาจาต้องดีก่อนนะกายวาจาดีด้วยการรักษาศีลนะเนี่ยหลังๆสังเกตไหมหลวงพ่อพูดเรื่องศีลเยอะขึ้นครูบาอาจารย์ท่านฝากมานะออกไปเยี่ยมท่านไปอะไรเนี่ยท่านบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมขาดศีลขาดธรรมช่วยย้ำตัวนี้ให้มากขึ้นหน่อยนึง มันไม่มีศีลมีธรรมมันเบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกันตลอดเวลาเห็นแก่ตัวทำร้ายกันไม่รู้หรอกว่าถ้าเราทุศีลเนี่ยเราทำร้ายตัวเองก่อนแล้วทำร้ายผู้อื่นทีหลังทำร้ายตัวเองก่อนนะใจเราเศร้าหมองนะใจเรามีกิเลสผิดศีลผิดธรรมขึ้นมางั้นเราต้องช่วยชาระจิตใจของเราเบื้องต้นนะศีลเบื้องต้นต้องจงใจรักษาไว้ก่อน เบ e. e. ื้องต้นต้องจงใจก่อนสมาธิก็เหมือนกันเบื้องต้นต้องจงใจปฏิบัติก่อนปัญญาก็เหมือนกันเบื้องต้นต้องจงใจพิจารณาแต่พอมันเป็นศีลแท้สมาธิแท้ปัญญาแท้นี่ไม่เจือด้วยความจงใจยกตัวอย่างให้ไล่เป็นตาดับไปนอย่างศีลเนี่ยศีลเนี่ยเบื้องต้นเราต้องจงใจรักษาไว้ก่อนตั้งใจไม่ต้องมาขอกับพระเสียเวลาเสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย ตั้งใจเอาเองว่าตื่นนอนขึ้นมาเราจะไม่ทําผิดศี่ห้าแล้ววันนีนะ้ตอนกลางวันก่อนจะกินข้าวกนะนะ็ตั้งใจว่าจะไม่ทําผิดศี่ห้าตอนเย็นตอนค่ำจะนอนแลตั้งใจเองเราจะไม่ทําผิดศี่ห้าตั้งใจของเราอย่างนี้เรื่อยๆคล้ายๆโปรแกรมตัวเองไว้บอกตัวเองเตือนตัวเองทุกวันทุกวันนะเราจะไม่ทําผิดศี่ห้าเตือนบ่อยๆเวลาหลายๆรอบนะใจมันจะได้คุ้นเคย เวลาจะทำผิดศีลห้าเนี่ยใจมันจะได้เตือนตั้งใจแล้วนะว่าจะไม่ทำผิดศีลห้าที่ตั้งใจรักษาเนี่ยนะก็ดีเหมือนกันแต่ยังไม่ดีมากรักษายากมันรักษาที่กายรักษาที่วาจาถ้าเราจะรักษาศีลให้ดีเราต้องรักษาที่ใจถ้ารักษาใจได้ศีลมีเองศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นมีสตินั่นแหละเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นเครื่องรักษาจิต ในตำราเขาก็สอนสติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่อารักขานะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเรามีหน้าที่ฝึกสติสติเป็นตัวระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้นะแล้วถ้าอยากรักษาศีลให้ดีเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้พวกเราเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นในใจได้บ้างมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้สึกไหมมีกุศลมีอกุศลเกิดขึ้นในใจ อกุศลอยู่ๆเกิดขึ้นลอยๆไหมไม่เกิดเนะจะแฝงมากับเวทนาแฝงกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะไม่เกิดเดี่ยวๆเราเกิดด้วยกันอย่างทุกขเวทนาทางใจถ้าชื่อเฉพาะศัพเฉพาะแท้ๆทางวิชาการเขาจะไม่เรียกว่าทุกขเวทนาทางใจเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาหมายถึงทุกทางใจถ้าทุกขเวทนาหมายถึงทุกทางกาย เราเรียกรวมรว ม, ร ว, มวัถุค เ, เวทนาเวลาที่โทมนัตเวทนาเกิดเนี่ยโทสะแทรกเสมอเลยโทสามจะแทรกเวลาส ม, มานัสเกิดขึ้นนะกุศลเกิดขึ้นด้วยก็ได้โลภะแทรกเข้ามาก็ได้มีสองอย่างนะไม่เหมือนกันเนี่ยเราค่อยรู้ทันไปอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราค่อยรู้คอยรู้ไป สมนัตเกิดขึ้นก็รู้โทมนัตเกิดขึ้นก็รู้กุศลเกิดขึ้นก็รู้โลภโกรดหลงเกิดขึ้นก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เกิดขึ้นก็รู้ดีใจเสียใจเกิดขึ้นรู้ทันเลยการที่เราหัดรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นในใจเหนิงเนืองต่อไปจิตจําสภาวะแม่นสติจะเกิดเองสติจะเกิดเองเช่นพอความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันปั๊บเลยจิตเข้าสู่ความเป็นกลางความทุกข์ดับสันตีเลย หรือกิเลสเกิดขึ้นทันทีที่สติะระลึกรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจนี่นกิเลสจะดับทันทีเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลไม่ได้เมื่อไร่จิตมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลเมื่อไรจิตเป็นกุศลเมื่อนั้นกิเลสอยู่ไม่ได้เลยกนะันอย่างพวกเราบางคนบอกเห็นกิเลสอยู่ทําไมมันไม่ดับสติจริงๆมันยังไม่เกิดหรอกนะอะไรมันเกิดแทนโทสะมันเกิดแทนอย่างเป็นต้นว่าเห็นใจที่เศร้าหมองเนี่ย พอเห็นใจที่เศร้าหมองบอกเอ๊ะทำไมไม่หายความจริงเกลียดมันใจมีโทสะนะใจไม่ชอบความเศร้าหมองนี่เราไม่เห็นตรงนี้นะดังนัสติไม่ได้เกิดออกแต่โทสะมันเกิดแทนอย่างนี้ไม่ดับหรอกแต่ถ้าใจิตใจเศร้าหมองอยู่เรารู้ทันรู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆนะความเศร้าหมองดับทันทีเลยนะความทุกข์ทางใจนี่ดับทันทีเลยกิเลส ท, ทางใจเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่กิเลสไม่ต้องใส่คําว่าทางใจกิเลสเกิดที่ใจเท่านั้นนะ กิเลสใดๆเกิดขึ้นนะดับทันทีเลยถ้าสติระลึกได้เมื่อไหร่สติเกิดขึ้นระดับกิเลสไปแล้วเนี่ยศีลจะเกิดอัตโนมัติเลยเพราะคนทําผิดศีลได้ก็เพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตงั้นเราคอยรู้ทันนะเมื่ขับรถอยู่คนเขาปาดหน้ามันโกรธขึ้นมานะขยับปากจะด่าเขาแล้วสติระลึกรู้เห็นจิตที่โกรธขึ้นมาความโกรธ ด, ดับไปด่าไหมไม่แน่จิตมันสั่ง ไปแล้วนะร่างกายบางทีทํางานไปอีกช่วงหนึ่งนะเออด่าไปคําสองคํานึกได้นึกได้แล้วก็เพื่อรักษาศักดิ์ศรีทเป็นด่าต่อไปแต่จิตไม่กโกรธอย่างนี้ก็มีนะอืมใครเคยเป็นบ้างแบบนี้เวลาโมโหนะรู้ทันจะด่าใครสักคนนะแต่รู้ทันปุ๊บมันหายแล้วนะแต่ปากต้องพูดอีกหน่อยรักษาหน้าอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ถ้าสติเกิดนะแล้วกิเลสมันจะดับไป ถ้ากิเลสดับเนี่ยศีลมันเกิดเองคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสมันคล่องงมงําจิตหนึ่งไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาเนี่ไปทําร้ายเขาให้ร้ายเขาอะไรเงี้ยเพราะโทสะมันแทรกถ้าไม่มีโทสะก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกไปขโมยเขาไปเปชู้เขาอะไรเนี่ยนะไปพูดจาล่อลวงเขาอะไรเนี้ยเพราะโลภะมันแทรกนะงั้นถ้าเรามีสติจริงๆนะรักษาจิตไปเรื่อยศีลเราจะงดงามขึ้น มีพวกเราหลายคนนะไปสารภาพกับหลวงพ่อว่าแต่เดิมรักษาศีลไม่ได้หรอกกระพร่องกับแป้งเรียนกับหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวนี้รักษาศีลง่ายใครรู้สึกอย่างนั้นไหมรักษาศีลง่ายขึ้นนะรักษาง่ายเพราะสตินั่นเองรักษาง่ายศีลนะรักษาง่ายไม่ใช่ของยากแล้วศีล น, นั้นทําให้กายวาจาเรียบร้อยนี่เป็นคุณธรรมอันนึงทำให้กายวาจาเรียบร้อยโดยการรักษาใจให้ดีด้วยสติ ตัวต่อมาคือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยทให้ใจเรียบร้อยศีลทําให้กายวาจาเรียบร้อยสมาธิทําให้จิตใจเรียบร้อยปัญญาทําให้จิตใจฉลาดเรียบร้อยกับฉลาดคนละอันกันสมาธิทําให้จิตใจเรียบร้อยจิตใจของเราปกติกระโดดโลดเต้นตลอดวันตลอดคืนไม่มีความเรียบร้อยเหมือนลิงลิงเรียบร้อยไหมลิง สิ่งไม่เรียบร้อยนะกระโดดจับโน่นทีกระโดดจับนีนทดดบน่ทีใครเคยเห็นลิงเรียบร้อยไหมีไม่เคยเห็นหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นนะถ้าลิงเรียบร้อยต้องลิงป่วยแล้วเพราะลิงธรรมชาติของมันนะจะกระโดดโลดเต้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกจิตเหมือนลิงเนี่ยท่านเทียบดีจริงๆ จ, จิตเนี่เหมือนวานอนวานนอนมือหนึ่งโหนกิ่งไม้นี้นะั่งเวียงตัวไป okay. ปล่อยมือจากกิ่งไม้นี้ก็จับอีกกิ่งไม้นึง จิตก็เป็นอย่างนั้นนะปล่อยอารมณ์หนึ่งก็จับอีกอารมณ์หนึ่งตลอดเวลาที่เราภาวนามาถึงวันนี้เห็นหรือยังจิตจับอารมณ์นี้ก็ปล่อยอารมณ์นี้จับอีกอารมณ์หนึ่งปุ๊บปุ๊ป๊ป๊ไปเรื่อยนะเนี่ยจิตเหมือนลิงท่านเทียบไว้ดีดีจิตที่มันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะนเที่ยวสแสวงหาความสุขนั่นเองคิดว่าไปตรงนี้จะดีไปตรงนี้จะดีนะนี่เรามาฝึกจิตฝึกใจให้มันมีสมัครทีขึ้นมา แทนที่จะให้มันกระโดดลดเต้นไปเรื่อยให้มันมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มันมีความสุขอยู่กับพุทโธคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขก็มาอยู่กับพุทโธคนไหนอยู่กับลมหายใจมีความสุ ข, ส ข, สขก็ไบบม่อยู่กับลมหายใจคนไหนอยู่กับท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ไม่อยู่กับท้องฟองยุบอะไรก็ได้คนไหนถนัดทําแบบหลวงพ่อเทียนขยับมือทําจังหวะถ้าทําแล้วมีความสุขไม่เครียดนะก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยใช้หลักเดียวกัน ไม่มีเราสายไหนสายไหนไม่ต้องทะเลาะกันนะถ้าใช้หลักที่พระเจ้าสอนมาแล้วมันอันเดียวกันนะไปได้ด้วยกันเท่านั้นไม่ไม่ดีไม่เร็วต่างกันนะนั่นเลยไม่ต้องทะเลาะว่าสายไหนดีสายไหนไม่ดีมันล้าสมัยแล้วทะเลาะกันถ้าเราค่อยดูใจของเราเหมาะกับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนเราใช้อย่างนั้นอย่าเรียนแบบคนอื่นอย่าเรียนแบบกระทั่งอาจารย์อย่าเรียนแบบกาาระทั่ง อ, อาจารย์นะอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กหลวงพ่อฝึก อาณาปานสตินั้งแต่เจ็ดขวบอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขหายใจแล้วสบายจิตใจสงบง่ายไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาอยู่กับลมหายใจอย่างหลวงพ่อหรือตานหลวงพ่อเดินปัญญาหลวงพ่อดูจิตเป็นหลักไม่ใช่ทุกคนต้องมาดูจิตเป็นหลักทางใครทางมันนะแต่หลักอันเดียวกันทิศทางที่ไปนั้นทิศทางเดียวกันแต่เส้นทางเดินนั้นเป็นเส้นทางเฉพาะบุคคลนะงั้นคนไหนถนัดอะไร อยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขก็อยู่กับอารมณ์อย่างนั้นแหละดีที่สุดแล้วดีสำหรับตัวเองไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดมีแต่กรรมฐานที่ดีเฉพาะคนดีสำหรับเราเพราะงั้นเราไปเห็นคนอื่นทำกรรมฐานต่างากับเราเนี่ย ไ, ไม่ใช่ว่าเขาทำผิดนะเขาก็อาจจะดีของเขาก็ได้เราก็ดีของเราแล้วเราก็เลือกดูใครอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆหรือสวดมน นะทำอะไรก็ไม่เป็นทำสมาธิอะไรไม่เป็นสวดมนต์แล้วมีความสุขสวดไปเรื่อยๆใจไม่ฟุ้งซ่านได้สมาธิขึ้นมาจิตใจเรียบร้อยนะจิตใจเรียบร้อยนี่ได้สมาธิแล้วนะแต่สมาธิให้จิตใจเรียบร้อยแล้วสบายแล้วสงบอยู่เฉยๆไม่พอนะมันเป็นสมาธิพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นเองสมาธินั้นมีสองระดับมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะ จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสิ่งที่เราได้ก็คือความสงบความเรียบร้อยความสุขความสบายนะมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่กับพุทธโธแล้วสบายไม่สนไปที่อื่นอยู่กับลมหายใจแล้วสบายไม่สนไปที่อื่นนะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าสมาธิชนิดนี้ยังไม่เอือ้อนะกับการทำมิปัสสนากรรมฐานการเดินปัญญาสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จะเอื้อกับการเดินปัญญานะคือความตั้งมั่นของจิต ถ้าเราเรียนตำรานะเราจะพบว่าในตำราทั้งหลายเนี่ยแปลคำว่าสมาธิว่าตั้งมัน่นไม่ได้แปลว่าสงบนะพวกเรามักง่ายนะไปแปลสมาธิว่าสงบอ่นะจริงๆสมาธินะี่โดยศัพท์นันตัวมันเองนะเขาแปลว่าความตั้งมัน่นนะสมาธิความตั้งมั่นตัวนี้แหละสำคัญนะสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยที่ไหนก็มีใครๆเขาก็สอนกันนะาศาสนาไหนๆมีทุกแห่งเลยนะมีทั้งนั้นเลย แต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนขึ้นมาเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตเนี่ยถอนตัวออกจากโลกของความคิดให้ได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าจิตของเราหลงอยู่ในโลกของความคิดจิตจะรู้กายรู้ใจไม่ได้อย่าว่าแต่จะทํำวิปัสสนาที่ว่าต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเลย ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็กายกับใจยังไม่รู้เลยกนะ็ไปรู้อะไรอารมณ์นิ่งๆสงบสงบนะนั่งไปนั่งไปอย่างทีแรกรู้ลมหายใจรู้ไปรู้ไปกลายเป็นแสงสว่างนะเนยไปดูสว่างแล้วก็ว่างอยู่กับความสว่างไปอนะไรเงี้ยเนี่ยไม่ดูกายไม่ดูใจแล้วไปดูอะไรก็ไม่รูนะ้ไปดูนิมิตนะเป็นดวงนิมิตขึ้นมาเรียกปฏิภาคนิมิตอุคาหานิมิตปฏิภาคนิมิตนะนั้นไปทางสมถะ ต้องมาฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเป็นใจที่หลุดออกจากโลกของความคิดใจของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยจริงไหมจริงใจเราคิดทั้งตลอดเวลานึกออกไหมใจที่รู้มีน้อยใจที่คิดมีมากสังเกตไหมต้องฝึกนะต้องฝึกวิธีฝึกให้ใจเปลี่ยนจากใจคิดมาเป็นใจรู้ก็คือรู้ทันใจที่คิด ทันทีที่เรารู้ทันใจที่หลงไปคิดนะใจที่รู้จะเกิดขึ้นใจที่รู้นี่แหละคือใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานนะใจตรงนี้สงบสะอาดสว่างขึ้นมาจนะ ต, ตั้งมั่นสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอมีใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้บางคนพอมีตัวผู้รู้แล้วรักษาตัวผู้รู้ไว้เฉยๆตัวนี้เสียผลประโยชน์ละ มีตัวผู้รู้แล้วต้องเอามันไปทํางานนะไม่ใช่มีตัวผู้รู้รักรักษามันไปนิ่งๆเฉยๆเหมือนเราเลี้ยงลูกน้องนะตั้งโรงงานจ้างคนมาตั้งเยอะเลยเลี้ยงลูกน้องนะให้กินอิ่มนอนอุ่นสบายแล้วไม่ใช้งานนะฉลาดไม่ฉลาดเนละขาดทุนนะงั้นเราต้องใช้งานมันเรามาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้โดยการรู้ทันจิตที่ลงไปคิด พอจิตรู้ทันจิตที่หลงไปคิดแล้วเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อหลุดออกจากโลกของความคิดได้แล้วต้องมาเดินปัญญาใช้งานใช้งานมันมีสติระลึกรู้กายนะมีสติระลึกรู้ใจแต่รู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีจิตเป็นคนดูอยู่มันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตเป็นคนดูอยู่ร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันนะแยกออกจากกันได้ เวลาสติระลึกรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่มันก็จะเห็นอีกเวทนากับจิตเป็นคนละอันกันเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในกายรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆในใจเรียกว่าเวทนาคือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่แหละส่วนใหญ่ถ้าเรามีสติระลึกรู้เวทนานะเราก็รู้ในขณะที่รู้นนจิตตั้งมั่นเป็นคนดู มันจะเห็นว่าเวทนาก็อยู่ห่างๆเวทนาไม่ใช่จิตด้วยเวทนาไม่ใช่กายด้วยเจะแยกออกไปอีกกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนี่จะแยกออกไปใครแยกตรงนี้ได้บ้างแล่ะใครเคยเห็นว่ามันแยกได้บ้างยกมือหน่อยมีไหมแกงง่วงแกงง่วงชักจะ ง, ง่วงแล้ว <c oughs> โอก็เยอะเหมือนกันเนาะมีส่วนหนึ่งไม่ได้ยกเพราะหลับไปอยู่ <c oughs> เนี่ยเรามีสตินะแล้วก็มีสมาธิใจตั้งมั่นเครื่องมือสองตัวนี่แหละตัวที่1สติรู้กายสติรู้ใจตัวที่สองจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันจะเห็นกายก็อยู่ห่างๆเวทนาคือความสุขทุกข์ก็อยู่ห่างๆสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายก็อยู่ห่างๆอย่างพอความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกัน ความโกรธไม่ใช่อันเดียวกับจิตนะเป็นคนละอย่างกันนะจิตเป็นคนดูอยู่เพราะจิตเป็นคนดูอยู่ไม่ใช่จิตโกรธนะไม่ใช่เราโกรธแล้วความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาพอจิตเป็นคนดูแล้วความโกลมจะหายวับไปตอนหน้าตาตานี่มันเกิดแล้วมันดับให้ดูได้นะทุกอย่างจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับให้ดูได้เ น, นี่ยเราค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆฝึกเมื่อ <stellung S 1> เราค่อยเบื้องต้นเนี่ยเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยการรู้ทานจิตที่หลงไปคิดนะพอเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอย่าอยู่นิ่งๆอย่ายอยู่เฉยๆอ ย, ย่าประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่เฉยๆนะให้มีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจดูกายทํางานดูใจทํางานกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่า ง, างั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างไงดูลูกเดียวเลยไม่ต้องไปแทรกแซงเช่น e ความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาทางละความสุขเกิดขึ้นไม่ต้องไปรักษามัน ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องรักษาไม่ต้องปฏิเสธนะรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่องเนี่ต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าเบื้องต้นพวกเรายัางทําไม่ได้เวลาที่สติระลึกรูร้สภาวะนะจิตตั้งมั่นอยู่แป๊บๆเนี่ยจิตจะเกิดยินดียินไายขึ้นมามันจะไม่ตั้งมั่นนะมันจะไม่เป็นกลางขึ้นมามันจะแ ก, ก, ะกว่งเพราะความไม่เป็นกลางงั้นเบื้องต้นเนี่ยหัดยังไงนะมันก็มีความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นเช่นมีความสุขเกิดขึ้นนะมันจะพอใจ มีความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่พอใจมีกิเลสเกิดขึ้นไม่พอใจและมีกูศลเกิดขึ้นมันพอใจมีความสงบเกิดขึ้นพอใจมีความฟุ้งซ่านไม่พอใจมีความละเอียดเนี่ยพอใจมันหยาบขึ้นมาไม่พอใจเนี่ยจะมีความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเลยเวลาไปรู้อารมณ์เข้าให้พวกเราเฉลียวฉลาดรู้ทันลงไปอีกเวลาที่สภาวะอะไรเกิดขึ้นเช่นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น รู้สภาวะนั้นแล้วแล้วถ้าจิตเกิดปฏิกิริยาเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนะให้รู้ทันเข้าไปจริงรู้ทันเข้าไปที่จิตทินะอย่ามัวแต่ไปดูความโกรธความโลภความหลงนะจะถลำมาะไปดูความโกรธความโลภความหลงเวลามีความสุขก็ไปถลำไปดูความสุขจิตมันไหลไปจิตไม่ตั้งมั่นนะอย่าให้จิตถลำไปให้แต่ว่าให้มาคอยรู้ทันปฏิกิริยาของจิตมันเห็นความสุขมันยินดีขึ้นมารู้ทันไม่ใช่ดูแต่ความสุข มันมีความทุกข์เกิดขึ้นมานะมันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไว่ยินร้ายไม่ใช่ดูแต่ความทุกข์แล้วก็เกลียดมันโดยไม่รู้ว่ากําลังเกลียดอยู่นั่งเร่งเมื่อไหร่มันจะดับสักทีเมื่อไหร่มันจะดับสักทีเวลามีความโกรธเกิดขึ้นอย่างพวกเราภาวนาพอความโกรธเกิดขึ้นนะสติรู้ทันนะใจไม่ชอบอยากให้หายให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่ไม่พอใจรู้ทันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันถึงจิตถึงใจจริงๆถ้าไปเห็นแต่ว่ามันมีความโกรธแล้วก็นั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายโกรธ โทสะนั่นแหละซ้อนอยู่ในใจเราเราไม่เห็นความไม่พอใจซ้อนอยู่ในใจเราไม่เห็นนะเรียกว่าดูมาไม่ถึงจิตถึงใจจริงมัวแต่ดูของนอกโทสะอันแรกมันเป็นของนอกนะให้รู้ทันโทสะที่ซ้อนเข้ามาในใจที่ปฏิเสธโทสะตัวแรกนั่นแหละปฏิเสธความทุกข์อันนั้นน ะ, นะความสุขเกิดขึ้ น, นราคาแทรกให้รู้ทันนะมันพอใจขึ้นมาแล้วให้รู้ทันตัวนี้ไม่งั้นเราจะนอนจมกิเลสอยู่แล้วแล้วก็นั่งรุ้นว่าทาไมกิเลสไม่ดับสักที ก็กิเลสกาลังครองใจอยู่แล้วกิเลสที่ไหนมันจะไปดับได้มันซ้อนเข้ามาอยู่ที่ใจเราอีกทีงั้นเวลาเห็นสภาวะแล้วนะกลับมารู้ทันที่จิตของเราอีกชั้นหนึ่งนะมันยินดีขึ้นมาให้รู้ทันมันยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไม่งั้นกิเลสนี่แหละมันจะแอบเข้ามาอยู่ในใจโดยที่เราไม่รู้เลยเราก็จะมานั่งลุ้นว้าหลวงพ่อประโมทสอนอีท่าไหนบอกว่าถ้าสติรู้ทันกิเลสแล้วกิเลสดับทันทีไม่เห็นจะดับเลยดูมาตั้งนานไม่เห็นมันดับเลยดูไม่ถูกที่นะว่าเก่าไม่ถูกที่คัน เกาแขนคันที่แขนไปเกาที่ขาแล้วบนไม่ไม่หายคันอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะนั้เรียนกระทำบ้านเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงๆเลยนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้นะแล้วจิตเกิดยินดีจิตเกิดจินร้ายเกิดพอใจไม่พอใจต่อสภาวะนั้นรู้ทันเข้ามาตรงนี้เนะนี่ยเรียกว่าเรารู้ถึงจิตถึงใจแล้วหรือจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติพอเรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นความยินดียินร้ายมันจะดับอัตโนมัติเลยคราวนี้ดับจริงๆเลย จิตจะเป็นกลางจิตจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางสติระลึกรู้สภาวะทั้งหลายแหล่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางสภาวะทั้งหลายนั้น popcorn, สแสดงไตรลักษณ์แน่นอนเลยเกิดดับแน่นอนสแสดงไตรลักษณ์แน่นอนดูไปเรื่อยๆรื้เเห็นในสุดปัญญามันเกิด น, นะเราเห็นทุกอย่างด้วยสติมีสติระลึกรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางปัญญาก็จะเกิดคือเกิดความเข้าใจความเป็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยปัญญานะก็คือการทําจิตให้ฉลาดการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตฉลาดให้จิตรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือตัวปัญญาถ้าจิตเห็นอย่างนี้นะจิตฉลาดนะ จิตฉลาดเนี่ยจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะตัวความฉลาดของจิตนี่แหละทำให้มันบริสุทธิ์จริงเหมือนมันโลไปฆ่าวิชาตายความไม่รู้นะความโง่เขลาที่ซ่อนอยู่ในจิตในตัววิชาคราวนี้น้ําที่ว่าใส่น้ําที่ประพัดสอนนันะ่นแหละกลายเป็นน้ําบริสุทธิ์ขึ้นมาแนละ้วจิตของเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้จริงๆนะนะ เ, เมื่อล้างความเห็นผิดได้ด้วยปัญญา งั้นเราล้างความทรงขบลกนะด้วยศีลศีลจะทำให้กายวาจาเรียบร้อยรักษาศีลได้ดีโดยการมีสติรักษาจิตกิเลสเกิดเรารู้ทันนะเนี่ยรักษาจิตสมาธิทาให้จิตใจสงบเรียบร้อยนะนี่อันหนึ่งสมาธิที่ฝึกรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจะทำให้จิตตั้งมั่นนี่อีกอันหนึ่งสมาธิอย่างแรกที่เอาไว้สงบนั้นเอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นนั้นเอาไว้ทางาน คร่านกันนะควรละอย่างกันงันนต้องมีได้ทั้ง2 อ, อย่างนั้นดีที่สุดมีต้องมีทั้งสองอย่างดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆนะให้มีอย่างหลังไว้ได้ถ้ามีอย่างหลังไว้เนี่ยยังมีเส้นทางเดินที่เรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธินะใช้ปัญญาไปก่อนมีจิตตั้งมั่นขึ้นได้เป็นขณะทีละแวบบทีละแว บ, บเนี่ยนะแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางทีละแวบบทีละแวบบต่อไปสมาธิจะเกิดเองสมาธิสงบเนี่ยจะเกิดเอง พวกเราแต่เดิมที่ว่าฝึกสมาธิไม่สงบไม่สงบนะเดี๋ยวนี้ไปบอกหลวงพ่อเรื่อยๆว่าสมาธิดีกว่าแต่ก่อนทำไมสมาธิดีแต่ก่อนสติมันดีขึ้นสินะแล้วจิตมันตั้งมั่นมากขึ้นนะสมาธิสงบนะของเล่นเล่นหรอกไม่ยากหรอกมันแถมเข้ามาได้ด้วยซ้าไปมันเป็นของแถมด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเราถ้าฝึกได้สองอย่างก็ฝึกไปนะฝึกไม่ได้เอาสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาตัว เ, เนี้ย ต่อแต่ต่อแต่ไปก่อนนะดีกว่าไม่ได้ทำเลยเดินปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นตัวทำให้ใจฉลาดนะสมาธิเป็นตัวทำให้ใจเรียบร้อยกระทำให้ใจตั้งมั่นส่วนปัญญาเป็นตัวทำให้ใจฉลาดศีลทำให้กายวาจาเรียบร้อยแม่คนลหน้าที่กันนะว่เาเราต้องมีครบแหละมีศีลสมาธิปัญญาเพราะอะไรเพราะเรามีกายวาจาใจมีกายวาจาก็รักษาด้วยศีล การรักษาใจนะั้นมีสองขั้นตอนขั้นด้วยสมาธิกับด้วยปัญญารักษาใจให้สงบนี่เป็นสมาธิชนิดที่1รักษาใจให้ตั้งมั่นอีสมาธิชนิดที่สองฝึกใจให้ฉลาดนี่คือการเดินปัญญานะวิธีให้ใจฉลาดมีสติรู้รูปรู้นามอย่างที่เขาเป็นไปรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนี่ปัญญาจะเกิดพอปัญญาเกิดนะวีมุสมันจะเกิดเองนะพอไหวไหมพอไหวไหมไม่ยากนะ รักษาสี่หไว้ก่อนเบื้องตอน้นนะแล้วก็คอยรู้สึกตัวไว้จิตหลงไปเรารู้จิตหลงไปเรารู้ฝึกตัวนี้บ่อยๆทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ทําในรูปแบบทําในรูปแบบวันไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทําในรูปแบบเพื่อให้สงบวันไหนสงบแล้วทําในรูปแบบเพื่อฝึกให้ตั้งมัน่นนะอย่างเวลาเราทําในรูปแบบเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าไปด้วยนะ วันนี้ฟุง้งซ่านเราก็มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเรื่องปัญญาแล้วฟุ้งซ่านขนาดนี้เจริญปัญญารู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วก็นะวามารู้ลมหายใจไปเรื่อยจิตเคล้าอยู่กับลมนะอย่าไปบังคับให้สงบนะเคล็ดลับอยู่ตรงที่นี่อย่าไปบังคับนี่แหละบางคนทําสมาธิไม่สําเร็จนะีไม่ยอมสงบเขาเที่ยวบังคับจิตถ้าบังคับจิตจิตจะยิ่งดื้อจิตเหมือนแมวนะยิ่งห้ามยิ่งยุเลยที่กดมันลงไปมันจะยิ่งดันขึ้นมาดึงมันขึ้นมามันจะยุบตัวลงไปจิตนะั้นมันเหมือนแมวจริง ค่อยๆรู้ไปรู้ไปสบายๆหายใจไปสบายๆถ้าใจมันสบายใจมันจะสงบเคร็ดลับอยู่ตรงสบายนีแหละถัดไปก็รู้ทันจิตที่หลงไปคิดก็จะได้จิตตั้งมั่นพนอ ไ, ได้จิตตั้งมั่นแล้วค่อยรู้กายค่อยรู้ใจอย่าตั้งแล้วก็ว่างๆอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาอย่าให้จิตไปติดในความนิ่งความว่างความสว่างไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆไม่มีปัญญาหรอก เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆถึงความบริสุทธิ์ได้จริงๆด้วยปัญญานี้แหละแต่ปัญญาลอยๆไม่มีนะอาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานส่งทอดกันมานะงั้นพวกเราฝึกให้ได้นะชีวิตเราจะมีความสุขมันจะดีขึ้นดีขึ้นหรอกนะเท่านี้ก็พอแล้วละแต่เดือนหน้าเดือนหน้ามันเข้าหน้าร้อนแล้วนะเดือนหน้าหลวงพ่อจะมาเทศสักแปดโมงครึ่งเขาบอกอย่างสนะงสารว่าพอสายมากมันร้อน ร้อนจัดงั้นเริ่มสักแปดโมงครึ่งเาจีโมงเสร็จแปดโมงครึ่งเก้าโมงสบโมงก็เสร็จนะยังไม่ร้อนจัดใครมีอะไรจะคุยเชิญนมส ก, การหลว ง, งพ่อค่ะก็ครั้งแรกที่ส่งการบ้านค่ะเขาตื่นเต้นก็คือว่าปฏิบัติมาช่วงก่อนหน้านี้ก็คือแบบ ไปอย่างที่หลวงพ่อปามุ่นบอกว่าไปแบบพยายามแก้ไขจิตอะค่ะแล้วบางคับเพ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะคะคือแบบนั่งสมาธิแล้วคือแบบมันเพียมากมันมันมัวมันฟุ้งซ่านแล้วแบบมันไม่ชอบมันแบบพยายามทําให้มันดีอะค่ะแล้วปรากฏว่ามันเหนื่อยมากมันทําไม่ได้มันก็เลยแบบปล่อยพอมันปล่อยปุ๊บ แบบเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วมันแบบบังคับสุดๆแล้วก็เลยพอปล่อยปุบแบบเหมือนมันรู้สึกว่ามันมีมันมีอีกตัวหนึ่งออกมาค่ะเห็นอยู่แล้วแบบแล้วมันก็นิ่งไปแบบนึงแล้วพอตั้งแต่ออกจากสมาธิครั้งนั้นมามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าไปทําอะไรแล้วค่ะแล้วก็รู้สมูดขึ้นนั่นแหละมันมีตัวรู้ผุดขึ้นมานะสังเกตไปร่างกายก็เป็นของถูกรู้รู้สึกไหมมันอยู่ห่างๆออกไปใช่มันห่างออกไปค่ะ เนี่ยดูไปแต่อย่าไปประคองให้ห่างนะถ้ า, าจงใจประคองให้ห่างเนะี่ยผิดแล้วกระองเปล่าล่ ะ, ละประคองให้ห่างไหมบางครั้งค่ะนะไม่ทํานะตัวนั้นตัวนั้นผิดอ๋อค่ะอันนี้ก็อันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกถูกผิดผิดล่ะตอนไม่ประคองก็ถูกนะตอนประคองก็ผิดแค่ะ <c oughs> ภาวนาพวกเราอย่า ก, กลัวผิดนะยังไงก็ผิดเชื่อสิยังไงก็ผิด ทำไมไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยจะผิดน้อยลงน้อยลงตอนถูกมันถูกขนาดเดียวเท่านั้นค่ะ ข, ขอบคุณน้มรสกษาหลวงพ่อครับอก็ส่งกลับบ้านครั้งแรกครับก็ปฏิบัติมาเกือบเกือบสองปีครับก็รู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นยอมรับความจริงได้มากขึ้นอะไรนะก็ยอมรับความจริงได้มากขึ้นตัวนี้แหละตัวสําคัญแหะ ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ก็ทุกข์แหละเพราะอะไรเพราะความจริงชีวิตนี้เป็นทุกข์นะถ้ายอมรับไม่ได้เราทุกข์ซ้ำซ้อนครับก็รู้สึกว่าทุกข์คือพิจารณาไปแล้วมันมีแต่ทุกข์ครับคือความสุขมันหายากเหมือนจะทํะนาตอนนัยังไม่สุด ข, ขีดนะ่ะถ้าพอใจดีกว่าเนี้ยจะรู้ว่าความสุขหาไม่ได้ครับมันถ้าจะถ้าอยากสุขก็นึกๆเอาอะครับ ก็เหมือนทํากิจกรรมอะไรก็ก็ทุกเหมือนมนมีทุกนะครับเมื่อวานก็มีคนไปส่งอนบ้านที่วัดผู้หญิงนะบอกเดี๋ยวนี้เห็นกระทั่งว่าสุก็เป็นทุกมันทุกหมดเลยรู้สึกในสามโลกธาตุนี้นะไม่มีที่เหยียบแล้วทุกล้วนๆเลยเราต้ภาวนาได้อย่างนี้น่ะเข้าท่าละครับนี่ก็เข้าท่านะเห็นสุขหายากแล้ว จนจนบางครั้งก็เบื่อๆอะไรครับนั่นแหละเบื่อให้รู้ทันอีกอย่าให้ครอบงาจิตนะให้รู้ทันลงไปก็ขี้ลืมครับหลังนี้ลืมแบบลืมเหตุการณ์จะไม่ให้ลืมก็ต้องตั้งใจเพิ่มสติทางโลกขึ้ น, นเช่นจะวางนาฬิกาไว้ตัวนี้ยทําความรู้สึกให้มันแรงขึ้นนิดนึวางไว้ตรงนี้นะอย่างนี้ถึงจะไม่ลืมแต่ถ้ามันไม่สนใจนะมันรู้สึกโลกว่างเปล่าไร้สาระนะ วางตรงนี้ไปตรงนี้อย่างนี้ไม่มันลืมหมดอ่ะครับก็มีอะไรติชมแนะนํำไหมครับก็ภาวนาก็ดีแล้วล่ะนะไปดูไปโลกมีแต่ทุกนะมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยคนที่ปัญญาไม่ถึงก็เห็นว่าไอ้ทุกน้อยน้อยนั้นเป็นความสุขไปไม่ประคองจิตให้นิ่งนะไม่บังคับจิตปล่อยให้จิตทํางานไป ในใจเราเป็นคนดูมันสบายๆดูมันทํางานไปเรื่อยๆ <นะ S 1> อย่าไปโกรธอย่าไปขมมันเหนื่อยก็บางทีความกโกรธเข้ามาเนี่ยบางทีผมปล่อยให้มันโกรธเต็มที่ดูว่ามันจะโกรธได้แค่ไหนอะไรเออน่าแต่ปากไม่มีออกไปนะคิดคิดเลยครับคิดออโกรธ ด, ด่าในใจเลครับเออไม่เป็นไรในใจเขาไม่ได้ยินคือก็คือขนาดที่จะรู้สึกว่าจะคิดที่จะทําร้ายเขาแล้วเนี่ย ผมก็เลยดูให้ชัดขึ้นเอแล้วมันก็ค่อยๆหายไปแต่แต่มือเท้าเราเก็บนะเก็บไปเราเก็บนั่นเรามีสีไว้ก่อนนึกๆึในใจเอาอในใจไม่เป็นไรในใจเราก็มีแต่บาปทางใจพอพอมันหายไปเราจะกลับมาโกรธอีกมันก็ไม่ไม่โกรธ่ะโกรธมันไร้สาระมันรู้เลยเวลาโกรธเหมือนคนบ้านะรู้สึกไหมครับเป็นบ้าขอเมื่อคืนครับ นภาสการหลวงพ่อค่ะคำถามที่มีอยู่ที่มีความสงสัยเมื่อฟังท่านเทศแล้วท่านก็ได้ตอบไประดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังถึงจุดหนึ่งที่อยากจะให้ท่านช่วยต่อ ย, ยอดให้คื อ, อ, อตัวเองเนี่ยปฏิบัติแบบอนาปนาสตินะคะตอนนี้พอถึงจุดหนึ่งที่ที่เริ่มรู้สึกอย่างเช่นเช่นนอนไม่หลับแล้วเราก็ทำสมาธิ นอนแล้วก็เห็นตัวเองมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายเรานอนอยู่แล้วเราก็เห็นใจเราที่ซ้อนอยู่ในร่างกายเราแล้วเราก็เห็นระดับของความอยากหลับเพราะว่าเป็นคนนอนหลับยากก็จะเห็นระดับของความอยากหลับที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วประเดี๋ยวมันก็ลดลงลดลงเมื่อเราพลิกตัวเราก็จะเห็นระดับของความอยากที่มากขึ้นและลดลงไปเรื่อย การที่เห็นระดับความอยากหลับอะไรอย่างนี้ค่ะมันมันคือมันหมายถึงการเห็นความเกิดดับหรือเปล่าเห็นสิแต่มันจะมีผลมากนะถ้าใจเราเป็นกลางแต่ถ้าใจเราลุ้นเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับใจยังไม่นนเป็กลาง เราอย่างเช่นบางครั้งที่เรารู้สึกว่าใจเราสว่างเราเรา ok. สว่างอยู่แล้วเราก็เห็นระรอกของความคิดที่ผ่านเข้ามาเป็น ok. ระรอกระ<ช>รอกแล้วตัวเราเองเราดูอยู่เราเห็นระรอกนั้นแล้ว ok. ลมันก็ผ่านไปไแล้วเดี๋ยวก็จะมีระรอกใหม่เข้ามาอันนั้นเนี่ยเป็นไปอ่านยูแล้วไม่ไม<ด>่ไม่ใช่สมถะใช่ไหมคะอันนี้คือใช่นะมันเดินปัญญาอยู่สมถามจิตจับความสว่วสงางนิ่งเฉยไปเลยค่ะการนี้คือนีเป็การเดินปัญญาในสมาธิอีกที นี้ถูกต้องหรื อ, อยังคะถูกนะแต่ใจต้องเป็นกลางแล้วเป็นกลางหมายความว่าเราเห็นตัวเองเราะระลึกตัวเองได้ตลอดแล้วเราเห็นใจเราได้ตลอดใช่ไหมคะใช่ใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันอย่างไม่งั้นโทรศัทแทกน ะ, ะโทรสามันจะแทรกมีความหง่นหินลึกๆซ่อนอยู่ไม่ได้เป็นกลางจริงดอกคือจะต้องรู้ถึงถึงอารมณ์รู้ถึงความรู้สึก ใช่ไหมคะว่าว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสิบสองยกขาะอนนี้เลยไปดูเอาค่ะแล้วก็ขอเทคนิคอีกนิดนึงนะคะอย่างเช่นเวลาเราเดินเดินออกกำลังกายเดินสายพานสิ่งที่เราจะรู้ก็คือคือเรารู้ลมหายใจไม่ได้เพราะว่าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวคือรู้สึกอย่างนั้นนะคะเราจะรู้เห็นตัวเราเองเดินอยู่บนสายพานหรือเราจะรู้ถึงความรู้สึกของเท้าที่กระทบสายพานค่ะ เราควรจะดูเองเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกาย as a whole เลยใช่ไหมคะไม่ต้องโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรอกถ้าโฟกัสไปที่ใดที่หนึ่งมักเกี่ยวกัเพ่งถ้าเพ่งกลายเป็นสมร tha ให้เห็นเห็นทั้งตัวแล้วก็ก็คือรู้แค่นั้นเองราสึขอบพระคุณค่ะมรสการครับหลวงพ่อครับผมถือศีลห้ามานเจ็ปีครับ แล้วก็ผมไปหานสี่ประมาณปีหนึ่งครับก็คงถือตลอดนะหลวงพ่อก็คงถือสิน5้าไปตลอดชีวิตนะครับโอสสาเร็จแล้วก็ก็ได้ฟังสดีของหลวงพ่อประมาณ3ามสี่เดือนนะครับก็คิดว่าเข้าใจไม่รู้จะถามอะไระครับ <c oughs> ผมไม่ทาบว่าผมทําทอจะก็คอยรู้ทันใจของเราไปนะใจเรามัวบ้างสว่างบ้างดีบ้างร้ายบ้างนะดูไปด้วยดูเหมือนดูคนอื่นอะ ครับพอทำได้ไหมอย่างนี้ได้ครับดูเหมือนคนอื่นไปด้วยครับอย่างปกติช่วงก่อนด้านนี้ที่ฟังของหลวงพ่อแรกๆก็จะค่อนข้างจะพิจารณาเยอะครับก็เห็นกิเลสบ่อยอครับที่ระหว่างวันเสร็จแล้ว เ, เริ่มทําสมถะก็ทําสมถะรู้ลมหายใจสักพักหนึ่งครับไม่นานเสร็จแล้วก็พอเริ่มสงบก็เริ่มแยกตัวผู้ล่วกมาว่าเราก็คำความรู้สึกว่า ร่างกายหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายหายใจออกนะครับ เ, เสร็จแล้วไม่นานแล้วก็หลับไปครับเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นปรากฏว่ า, าผู้รู้ก็เด่นขึ้นมาทั้งวนันนะหลวงพ่อครับดเด่นเด่นประมาๆๆวันวันหนึ่งก็เห็นร่างกายขึ้นไหวแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนใจอะไรเลยครับคือมันคือเห็นร่างกายทํางานอะไรเข้ามากระทบก็คือจิตมันก็ทิ้งไปเลยครับเหมือนก็เห็นอะไรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็แต่ว่าตัวนี้ต้องแอคทีฟหน่อยนะแอคทีฟครับหลวงู้รู้ <ๆ S 2> ไม่ใช่ตัวผู้รู้เฉยเฉยนะใช่ฮะอย่างนี้ไม่ได้นะ ก็มีสติครับยังเดินก็จะเป็นเดินจงกลมตลอดเดี๋ยวสักว่าจะออกก้าวเดินก็จะมีสติแล้วก็ดูร่างกายเดินไปไม่แบบทราบว่าทําถูกทําถูกสิแต่ต้องฝึกให้จิตถึงฐานจริงๆด้วยครับถ้าจิตมันตั้งอยู่จริงนะแต่ตั้งแบบห่างห่างออกไปหน่อยกระจายกระจายกว้างกว้างออกไปแล้วทุกอย่างจะซึมซึมไปนิดนึงอย่างนี้ไม่ดีครับอย่าไปน่วงให้มันเกิดความซึมซึมขึ้นครับมีไหมเออไม่ค่อยมีครับ นะรู้ทันไปนะนขนาดนี้หน่วงจิตไว้เปล่าอืมกดตื่นเต้นนะฮะกดไว้นิดหนึ่งครับออนะให้รู้ทันไปได้แล้วขอฝากถามถึงคุณพ่อผมข้อหนึ่งครับข้อผมทําพ่อผมเรียนอภิธรรมมาครับแล้วก็ทําให้ปัฏฐนามาก็ประมาณสามสิบปีครับแต่เหมือนจะติดติดเห่งนะครับเหมือนจะเป็นสมถะผมก็ เพิงได้ฟังสีดีหลวงพ่อก็เริ่มตื่นมาแล้วก็เริ่มมาศึกษาดูจิตนะครับเหมือนว่าคุณพ่อผมเวลาทำก็จะเอทีพีโซประมาณ50จบอะครับใส่แล้วจิตก็จะรวมโลกธาตุดับเลยอะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเดินปัญญายัางไงแล้วคนหลวงพ่อช่วยแนะนํานิดนึงก็ให้โลกธาตุดับนะตอนนั้นเดินปัญญาไม่ได้ไม่เคยเดิน ค, คือถ้าคนที่เดินปัญญาในสมาธิได้ต้องมีความชํานาญสองอย่างหนึ่งชำนาญสมาธิจริงๆนะเข้าออกว่องไวได้เลยอันที่สองชำนาญในการดูจิตถ้าคุณพ่ออยากทําอันใดอันหนึ่งขาดไป อันนี้ขาดความชำนาญในการดูจิตเพราะฉะนั้นไปเดินปัญญาในสมาธิไม่ได้นะก็รอพอจิตถอยออกมาจากสมาธิเนี่ยบอกคุณพ่อเลยดูกายเหมือนดูคนอื่นไปด้วยเลยดูอย่างนั้นเลยครับโอเคขอบคุณครับ เ, ออเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อปีหนึ่งที่แล้วที่สวนสันติธรรมนะครับหลวงพ่อบอกจิตยังไม่ตั้งมั่นครับทีนี้เองฟังดูก็ยัง สงสัยอยู่เพราะว่าถ้าเราใช้การรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นคือยังสับสนเรื่องวิหารธรรมขาดความต่อเนื่องอยู่นะฮะไม่ต้องสับสนแล้วละมันไม่เหมือนเดิมหรอกเออคือยังยังสงสัยว่าเจาอะไรเป็นวิหารธรรมตรงจุดไหนนะฮะคื อ, คอถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปนะหรือจิตที่ว่างออกข้างนอกอะไรเนี่ยมันจะค่อยทวนเข้ามาตั้งเองและ ทุกนนี้ขาดช่วงบ่อยมันมันขาดความต่อเนื่องก็ทําให้ต่อเนื่องเท่านั้นแหละนะครับทําถูกแล้วทําถูกแล้วนะฮะแล้วแล้วยังยังยังยังสังเกตตัวเองว่าตอนนอนนี่ยังไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวชั่งมันนะชั่งมาแล้วปล่อยมันไปนะครับครับแล้วเมื่อกี้ฟังที่หลวงพ่อเทศยังยังติดอยู่นิดนึงนะฮะว่า ที่หลวงพ่อบอกว่าสมาธิมีสองจุดคือจุดที่ทําให้สงบกับจุดที่ทําให้ตั้งมัน่นทีนี้วิหารธรรมที่ควรจะทําควรจะวางตรงไหนหรือคือถ้าดูจิตใจได้แล้วดูไปเลยนะไม่ต้องสนใจตรงนี้นะไม่ต้องอ่ะเพราะว่ามันตั้งเองอ่ะมันสงบด้วยมันตั้งมั่นด้วยมันลงมาที่จุดเดียวกันเลยอ๋ออย่างนี้ถูกแล้วนะครับถูกแนละ้วขอบคุณครับนะแล้วก็ถัดจากนี้ก็ดูกายดูใจก็ทํางานเห <c oughs> มือนดูคนอื่นอ่ะคุณรู้สึกไม่โลกห่างออกไปหมด เห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ห่างออกไปเห็นกิเลสห่างออกไปเห็นไหมต่อไปฝึกไปเรื่อยนะขันทั้งหลายมันจะพลากออกไปมันจะแยกออกไปจากจิตไม่กระทบกันหรอกขันนี่ยไงก็ทุกทุกอย่างของขันนั่นแหละแต่ไม่กระทบเข้ามาถึงจิตอีกต่อไปนะมันพลากออกไปจากกันแยกออกไปจากกันนะเราฝึกไปดวออกไหมที่มันแยกเราควรจะเห็นตรงที่มันแยกด้วยไหมครับตรงรูปม่ไม่ไ ม, ไม่จงใจนะ ไม่จงใจแต่รู้รวมเข้าไปก็รู้เท่านั้นคครรัับบเห็นไหมมันแยกเลยขันมันกระจายออกไปก็เนั่ยมันจะเดินปัญญาได้ก็ตรงเนี้ยคือแล้วรู้ไปตรงที่ว่ามันดับเกิดตรงเนี้ยแหละใช่เห็นไหมทุกอย่างมันมีแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปหมดเลยโลภหลงอะไรมันก็ของนอกๆนะเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ก็ของนอกๆเกิดแล้วดับหมดเลยออืร่างกายก็อยู่นอกๆเกิดแล้วก็ดับครับ ขุนักสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตอนที่ปฏิบัติที่ผ่านๆมาเนี่ยแล้วที่ฟังที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าจริงๆแต่ละคนควรจะมีอะไรไว้สักอย่างหนึ่งไว้ไว้เป็นตัวหักเนะ่ะพอชำนาแล้วมันจะได้เป็นตัวพื้นฐานไปดูตัวอื่นแต่ว่าของตัวเองนี่มีความสงสัยมากเลยว่าเพราะมันจะหัดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดีอยู่แป๊บเดียวอะ่ะ แล้วมันก็จะทิ้งอย่างนี้แล้วรู้สึกเหมือนใจไม่เอาก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นสมมติว่าตอนนั่งกรรมฐานอย่างเงี้ยตอนสมัยปฐมเลยอยงเงี้ยบางทีพวกคุณครูที่เขาสอนศีลธรรมก็จะสอนให้ดูพุทโธแล้วก็นานทีเราก็มาดูเล่นแล้วกพ็พอตอนช่วงประมาณปีที่ผ่านมาก็เคยไปศึกษาสายพองยุคก็มาดูสายพองยุคดูไปดูมาสักพักหนึ่งตอนระหว่างศึกษาสายพองยุคอยู่ดีใจมันก็ไปรู้สึกเหมือนเห็นลมหายใจตัวเองน่ารักดีเอาสักอันนึงนะ นีค่ะหนูก็เลยคือพอถ้าเกิดสังเกตใจมันไม่เอาตัวนั้นเนี่ยพอเรากลับไปเอาตัวนั้นเนี่ยมันรู้สึกเหมือนใจมันโดนบังคับแล้วมันหงุดหงิดแล้วมันก็เครียดเหมือนเวลาเดินจงกรมเหมือนอะไรก็เหมือนกันคือบางทีมันก็ใจมันก็อยากจะไปกําหนดบางทีพอกําหนดมันก็เปิดหัวมันก็อยากจะดูเฉยๆอะไรเงี้ยคือพื้นฐานจิตใจคนไม่เหมือนกันนะค่ะอย่างใจของหนูอาจจะฟุ้งไม่ค่ะจะฟุ้งซ่านง่ายค่ะแล้วก็หงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ย จับ <ST AN CE> อะไรนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวก็ราคาญ <ST AN CE> เรียนกรรมาฐานนะเบื้องต้นเนี่ยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <ST AN CE> เอาให้เด็ดเดี่ยวไว้ซะอันหนึง่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆจยิ่งสับสนหนักกว่าเก่าอีก <ST AN CE> นะทนทนเอาสนะิจะเอาอะไรก็เอาซะอย่างแต่อย่าให้เครียดค่ะ <ST AN CE> ถ้าวันไหนเครียดให้หยุดทําหยุดเลย <ST AN CE> ทําผิดแล้วล่ะถ้าเครียด <ST AN CE> เพราะว่าคืออย่างบางทีทําอย่างเดียวกันเนี่ยบางวันก็เครียดบางวันก็ไม่เครียด <ST AN CE> ทำเนี่ยถ้าตรงที่เครียดเนี่ยเพราะว่าอยากทำ<ฆ>ถ้าทำเล่นๆไม่เครียดหรอก<ฆ>ลองหัดทำเล่นๆดูแต่ทำ<ฆ>ด้วยความหวังผลหวังว่าจะดียังโน่นหวังว่าจะได้อันนี้อันนี้เครียดแน่นอน<ฆ>นะมันทำด้วยใจที่โลภ<ฆ>แต่ถ้าทำไปด้วยใจสบายถึงเวลาก็พุโทโธไปถึงเวลาก็หายใจไปเลยไม่เครียดหรอกนะ<ฆ>คราวนี้อย่างการทำในรูปแบบเนี่ยมีความสงสัยว่า ถ, าาถ้าหากวันไหนเราเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยเราสวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยถือว่าทําในรูปแบบไหมคะทำอยู่น ะ, ะสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้แล้วถ้าเกิดตอนถ้าเกิดเราไม่เอาอย่างอื่นเลยเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเป็นการทําในรูปแบบได้เหมือนกันได้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านสอนสวดมนต์มาและท่านสวดสั้นนิดเดียวท่านสวดคาว่าพุโทโธถ้าสวดทั้งวันทั้งคืนเลยนะอยู่กับพุโทโธตลอดเลยแล้วจิตหนีไป ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็พุทโธให้สงบถ้าจิตสงบแล้วท่านพุทโธให้จิตมันตื่นเป็นผู้รู้พูทตื่นแลจิตไหลไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตื่นคพอจิตตื่นแล้วอันนี้มาดูกายดูใจดูธาตุดูขันมันทํางานคเอาสักอันหนึ่งนะยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ดีคขอพระคุณค่ะน่าจะสับสนค่ะหลวงพ่อมี้ว่ามีอะไรที่ควรจะแก้ไขหรือว่าอย่าให้เครียดถ้าเครียดเราหยุดทันทีเลยนะ ก็ว่าพื้นฐานไม่เครียดง่ายอขอบคุณค่กะกาบนมัสการนะะก็หนูปฏิบัติมาได้ประมาณปีกว่าๆค่ะแต่ก็แต่ละวันที่ปฏิบัติรู้สึกว่าเราแบบทำง่ายๆสบายๆแบบอย่างเช่นก็แค่ดูไปว่าจิตมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกิเลสก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะม<ท>า <ำ S 1> กน้อยแค่ไหนวันๆนหนึ่งทาบ่อยไหมดูบ่อยไหม ก, ก็ทั้งวันที่เห็นนะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งเวลาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างมมไม่แน่ใจว่ามันสบายเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าทำแล้วรู้สึกไม่เครียดแต่ว่าก็เห็นกิเลสเยอะะคะ่ะบางทีเห็นปุ๊บก็ก็ใจเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างแต่หลังๆเนี่ยมันเห็นเยอะจนรู้สึกไม่ชอบ ร, รู้สึกไม่เป็นกลางนะค่ะเป็นลแล้วก็รู้สึกทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูไกลเพิ่มขึ้นด้วนยะเดินจงกรมใช่ไหมคะ คอดูร่างกายเห็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ไปอมไม่สวย<า>ไม่งามเป็นก้อนทุกข์ดูยิ้บ่อยๆจะได้แรงมากขึ้นค่ะแล้วบางทีบางทีหนูตามกิเลสไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดกิเลสไปชั่วขณะหนึ่งมันรู้หลังจากที่ตามใจกิเลสไปแล้วมันก็สึกหนักๆอันเนี้ยไม่รู้มันคือ<ร>อะไรเป็นบีบากนะเป็นผลเราสนองกิเลสไปแล้วนะก็เกิดบิบากาต้องทุกข์ไปช่วงหนึ่ง<า>รับผลของกรรม แล้วช่วงนี้ที่หนูเห็นทุกข์มากๆนี่คือไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือเปล่าหรือแค่คิดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกชีวิตมันก็ทุกข์เห็นว่ามันจริงนะแต่ยังเห็นไม่พอหนูดูกายเพิ่มขึ้นไปก็ดูกายนี้ก็ทุกข์มากนะหนูดูกายไม่ค่อยเป็นมันดูยังไงก็รู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆ่อยนะจะอาบน้ําจะทานข้าวจะทําอะไรคอยดูสีร่างกายเนี่ยไม่สวยไม่งามหรอกร่างกายมีแต่ความสกปรกอะไรเงี้ยดูตัวนี้เพิ่มขึ้น เพราะใจเราเนี่ยมันรักร่างกายเยอะมันรู้สึกมันสวยมันงามมันดีมันสาวมันอะไรเงี้ยมันหลงกายมากดูกายให้เยอะๆเลยมันจะเห็นความจริงแะมันทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่เรานึกหรอกถ้าดูแต่จิตใจเฉยๆแล้วมันหนีนะมันไม่ยอมดูกายมันกลัวว่าจะมากระทบกระเทือนของรักของห่วงของเราใช่ไหมใช่ ไปดูมากๆนะทับหลบหนังมันเลยมันกลัวนักหนาเลยมันหวงนักหนาร่างกายเนี้ยดูเข้าไปตรงนี้เลยมันรักกายมากเออนั่นแหละนะไม่งั้นหนูดูนะมันคล้ายๆเป็นโรคนี้นะแต่เลี่ยงไปกินยาอย่างอดูกายให้หนักเลยค่ะคือหนูแค่รู้สึกว่าเห็นจิตมันง่ายเห็นกายมันยากเลยเห็นกายไม่ใช่ยากแต่เห็นกายแล้วมันทนไม่ได้อืค่ะมันทุกข์มันไม่ดีเท่าที่เรานึกเราหวงค่ะงั้นถ้าหนูอยาก ค้นทุกจริงๆนะหนูดูกายให้เยอะขึ้น <ฮะ S 2> จิตก็ไม่ทิ้งหรอกนะก <ฮะ S 2> ิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทันนั้นถูกต้องแล้ว <ฮะ S 2> แต่ดูกายเพิ่มขึ้น <ฮะ S 2> มันจะไปได้เร็วขึ้นคขอบคุณค่ะค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อคืออยากจะถามหลวงพ่อว่า เ, อาเวลาที่จิตเนี่ยมีเกิดความเข้าใจอะค่ะว่าตัวกายตัวจิตมันเป็นสิ่งบังคับไม่ได้มัน Uh, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน<ม>อย่างเงี้ยค่ะสภาวะตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นมันยังคิดอยู่มันยังคิดนําอยู่น ะ, ะถ้าถ้าถ้าเราเห็นจริงจริงมันจะล้างกิเลสไปได้เยอะแยะเลยแต่ดูซ้ำดูซ้ำซ้ำไปเรื่อยนะเบื้องต้นทำใหญ่ที่หนูทำนั่นแหละยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอต้องทำอีก ในมรดกสการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ส่งการบ้านหลวงพ่อครัิงแที่หลวงพ่อจะตอบเราหละก็ทราบึงถึงรสพิธามาตั้งแต่เด็กว่ามีความสุขกับการอยู่วัดเป็นเด็กวัดมาเด็กตั้งแต่เด็กเลยแล้วเออดีมีบุญต่นเต้นก็จะถามหลวงพ่อว่าปัจจุบันที่ปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหมคะก็มีการทําทาน ศีลภาวนาแต่อันดับแรกที่จะถามก็คือทานทานเนี่ยที่หนูทําอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักบ้างแต่เบาน้อยหนักส่วนใหญ่จะหนักก็คือหนักเนี่ยถ้าเป็นบุคคลรอบตัวเราเนี่ยที่เขาอยู่รอบตัวเราจะเตือนเราว่าทําไมเราถึงทําเกินฐานะเราเพราะว่าเงินเดือนเราเท่านี้ทําไมเราทําหนักทําทุกวันทําทุกวันทุกวันหนูก็เลยบอกกับเขาว่าไม่รู้สิคะเพราะว่าหนูทําแล้วหนูมีความสุข กับสิ่งที่ทําจะทํามากทำน้อยอะ่ะแต่หนูหยิบเงินออกจากมือปุ๊บเนี่ยหนูให้เขาแล้วหนูมีความสุขอะคะ่ะไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกนะมันก็ถูกของเราก็ถูกของเขาด้วยเขาเป็นห่วงของหนูไปดูตัวนี้ให้เยอะๆนะเวลาเราทําความดีนะมันอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมมันมีกูดีอยู่ด้วยกูเก่งด้วยไปดูไว้ข้อที่สอนะคะศีล น, นะคะศีลเนี่ย ต้องตอบตรงๆว่ารู้ว่าผิดรู้ว่าผิดก็ทำอยู่แต่รู้รู้โดยสติว่าผิดแต่ถ้าเราป้องกันไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างมีสติรู้ว่าผิดอย่างมีสติแต่ว่าถูกเราก็รู้ว่าถูกอย่างมีสติเหมือนกัน อ, อาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ตั้งใจทำดีที่สุดผิดหรือถูกคะหลวงพ่ออะไรนะผิดหรือถูกคะ <c oughs> คิดอย่างนี้ผิดหรือถูกคะคิดอย่างนั้นมันก็คิดได้อย่างนั้นแหละ มันกะถูกของเราอีกแหละ ข, ขอบคุณค่ะหนูไป<ล>ดูไว้นะเรายึดตัวความคิดความเห็นของเราแดงนะค่ะครูดีกูเก่งกูฉลาดอะไรพวกนี้ยดูให้เยอะเลยตัวเนี้ยไปดูบ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยนึกว<ท>่าจบแล้ว <laughs> ข้อถามหลวงพ่อเยอะหน่อยตื่นเต้นค่ะถ้าไม่ตื่นเต้นถามน้อยกว่านี้ <laughs> กระคอที่สามเนี่ยเป็นการภาวนาอันนี้ต้องขอคําชี้แนะจากหลวงพ่อเลยเพราะว่าการภ า, าภาวนาเพราเจริญ น, นะคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราตัวเล็กตัวน้อยคอยดูให้ทันก็แล้วกันจริธรเลสําคัญเนี่ยนะย้อนมาให้ดูให้รู้ทันใจของเราเองค่ะจริตธรรมของลูกลูกจะพิจารณาจากกายหรือจิตเป็นจุดหลักคะ่ะคือตอนนี้เฉพาะหน้าเนี่ยนะรู้ทันจิตไหมก่อน ไปรู้ทันกูเก่งอ่ะรู้ตัวนี้ไว้กูเก่งออก็ยังสงสัยอยู่เดวต้องหาคาตอบต่อไปเดนหนูหาคาตอบต่อไปกูเก่งเธออะไร <c oughs> ยังไม่รู้ไม่มันรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกแล้วใช่ั้ย <c oughs> ฉันถูกละฉันถูกละฉันถูกละจะรู้สึกอย่างนี้คออก็ทำให้ดีที่สุดเดนะหนูไปดูให้รู้ทันใจตัวเองแต่ค่ะลงพ่อคะถามอีกข้อได้ไหมคะ สาได้ตอบหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะหนูมีความสุขในการที่เราจะเป็นผู้ให้ผู้อื่นนะคะออแต่ว่าพอใครด่าว่าเราเนี่ย เ, ออเรากลับมีความรู้สึกว่าเราสงสารเขา เ, ออเราเห็นเขามีความทุกข์แต่เราไม่ได้เกิดความทุกข์นะคะออแต่เราเกิดความทุกข์เป็นเพราะว่าเราสงสารเขา เ, ออเราเห็นหน้าตาเขาเศร้าหมองเพราะเขาเนี่ย ไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าหลักธรรมะเป็นยังไงรสพะธรรมเป็นไงรสชาติมันแซ่บมากเขาไม่รู้นี่แหละหนูไปรู้ทันตัวเองตรงนี้แหละเห็นไหมเราเอาใจของเราเนี่แหละเป็นมาตรฐานตัดสินคนอื่นตลอดเลยนึกออกไหมตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาของหนูที่กูกูถูกอ่ะไม่ใกูเก่งแล้วเปลี่ยนคานี้เป็นกูถูกอ่ะไปดูตัวนี้แหละกรุณานดีแล้วแต่เราไม่เอาตัวเราไปตัดสินคนอื่นนะ ค่ ะ, ะให้คนอื่นบ้างไปค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงพ่อนมาสการพระอาจารย์ครับก็ไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณปีหนึ่งแล้วฮะก็ภาวนาตามแนวทางหลวงพ่อก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นก็มีความทุกข์น้อยลงนะฮะแต่ช่วงนี้พอดีมันมีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้เราไปผิดศีลอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ได้รับวิบากก็คือเสียทรัพย์แล้วก็จิตใจฟุ้งซ่าน ทีนี้พอจิตใจฟุ้งซ่านก็กลับมาทําความสงบนะครับมันก็กลับมาดูภาวนาได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้จะถามหลวงพ่อว่าตัววิบากตัวนี้เนี่ยมันจะทํำยังไงให้มันหายไปแล้วไม่ได้นะวิบากเหมือนเราเดินพลาดนะหัวไปโขกกําแพงเข้าเงี้ยหัวต้องเจ็บน่ะมีบากร้องรับนะแล้วมันก็ค่อยๆหายไปแล้วทําดีไปเรื่อยๆถ้าตัวฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันแบบวอย่าไปนึกซ้ําใำเรื่องที่ทําไม่ดีแล้วนะ ไอ้ที่ดีๆเราทํามาตั้งเยอะเราก็นึกบ่อยๆแม้เราจะทบทวนไปหาอาดีตแล้วฉีดทิ้งฟุ้งใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ในล่องในรออยู่ป่ะครับอยู่เหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> ครับนมาสักถามเท่านี้ครับผมฆราวาสนะจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยในสํานนาพระไตรปิฎกบอกฆราวาสจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังนะที่ขัดไว้ดีแล้วทํายากนะ ชีวิตกาลาวานันเป็นชีวิตบนเปื้อนคํนะายากนี่เราต้องจับหลักให้ได้ถ้าเราพลาดผิดศีลไปแล้วเนี่ยตั้งใจไว้ว่าไม่ทําอีกแต่อย่าไปคิดซ้ําลงโทษตัวเองไม่เลิกด่าตัวเองไม่เลิกประนามตัวเองไม่เลิกจิตจะเศร้าหมองนานทุกครั้งที่เราทําไม่ดีแล้วเราคิดซ้ำํำจิตขึ้นวิถีของอกุศลใหม่เทนะ่ากับเราทํำกรรมชั่วใหม่แลนะอย่าไปทํอย่าไปคิดมันคิดถึงดีดีไหมนะให้จิตขึ้นวิถีที่ดีบ่อยๆ กราบนมะัจรการหลวงพ่อค่ะคือว่าโยมนี่เคยได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาสามสี่ครั้งสามสิบปีแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครียดแล้วก็ซึมเศร้าค่ะและหลวงพ่อก็แนะนำมาแล้วก็ดีขึ้นตามลาดับเลยนะคะแต่แล้วพอมาช่วงหลังๆนีคะม่สักสองอาทิตย์มามันก็มันก็มึนศรีรษะนะคะพอปฏิบัติปุ๊บนี่มันจะมึนทันทีแล้วก็เหมือนกับ ไอ้ปวดศีรษะมันคอยอยู่อย่างงั้นนะะมือศีรษะเลยต้องทานยาอีกก็เลยตอนนี้ก็ไม่ทราบจะก็บารมีหลวงพ่อว่าเรารักษาใจของเราไว้นะศีรษะก็ให้หมอเขารักษาไปแต่นี้ตอนนี้ไม่อยากทานยาแก้เครียดนะคะน่าูทันใจที่อยากไปจำเป็นก็ทานไม่จําเป็นก็ไม่ตานแต่ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าพอจะนั่งปุ๊บเนี่ยมัน มันจะคิดขึ้นมาเลยเรื่องเครียดนะคะแล้วก็ปวดหัวแล้วตอนนี้ก็มึนหัวไม่หายเลยฮะมันจะดูไปหัวของคนอื่นไม่ใช่หัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะแล้วก็ไม่ต้องทานยานะฮะหลวงพ่อฮะทานไม่ทันแล้วแต่โยมนะโยมพ่อไม่ได้มึนด้วยกลับขอบคุณหลวงพ่อแต่โยมดูไปค่ะหัวที่มันมึนนะมันเหมือนหัวคนอื่นนะอใจเราเป็นคนดูเท่านั้นแหละ แล้วหลวงพ่อคิดว่าอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายมันกลายเป็นหัวของเราขึ้นมานะ้แล้วปฏิบัติวิธีไหนที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าดูอย่างที่หลวงพ่อบอกดูร่างกายนี่เหมือนดูคนอื่นไปคนะถ้าเราชํานาญพอเราอย่างเราอายุเยอะหน่อยเงี้ยเราดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเวลาเขาจะเจ็บเขาจะตายอะไรนะดูเหมือนคนอื่นตายนะเราเป็นคนดูเราไม่ตายกับเขามันหรอกขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ กับในมาตรการของข้อครับตอนนี hmm. nope. ้ต yeah. so, like, right. mm ื hmm. s <S like like ่นเต้นครับแล้วก็มีกดไว้ครับการปฏิบัติระหว่างวันที่ผ่านมานะครับคือบางทีเนี่ยก็รู้ชัดมากครับบางทีเนี่ยก็รู้ไม่ชัดอแต่ว่ามีตอนหลังๆเนี่ยนะครับแบบว่ามีรู้เหมือนไม่รู้ครับบางทีรู้แบบว่ารู้เหมือนไม่รู้อย่างเงี้ยครคือเหมือนมืนมันมีความรู้เหมือนกับว่าความไอตัวรู้มันมีมันมีอยู่แต่ว่าตัวรู้ก็ไม่ใช่เราเงี้ยครคือคือมีความรู้ว่า เราปฏิบัติถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถูกเสียงนะครับแล้วเวลาที่จะมาปฏิบัติในแบบรูปแบบทีไรนะครับพอเริ่มทําทีไรจิตมันแบบว่าบางครั้งมันก็มีแบบแบบแมันนิ่งมากนะครับบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็แบบว่าฟุ้งมากเลยครับคือผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยควรจ ะ, ะปฏิบัติในรูปแบบมากหรือเปล่าครับปฏิบัติในรูปแบบทําทุกวันนะแล้วก็ดูใบใจไม่เคยเหมือนกันสักวนันครับใช่ครับนะด้วยอย่างเนี้ยต่อไปปั ญ, ญญามันเกิดนะจิตมันเป็นของบังคับไม่ได้หรอก ครับผมครับแล้วเวลาผมผมมีแบบมี ม, มีเคยมีแบบตื่นมาแบบประมาณชาเช้ามืดเงี้ยครับตื่นมาคือตอนที่ตื่นมาแบบตกใจครับเห็นแบบร่างกายเองมันนอนอยู่เงี้ย hmm. แต่คือพอตกพอตกใจปุ๊บคือมันก็มันก็กลับมาเป็นปกติคือแบบคันนี้ก็นอนไม่หลับต่อคือพอพอเริ่มรู้สึกว่าไอตัวที่เห็นว่าร่างกายมันนอนเมื่อกี้เนะี่ยคือไม่ใช่เราคันนี้มันมีกำลังใจที่จะจะตื่นขึ้นมาปฏิบัติ hmm. ก็เลยออกมาเดินจงกมงรมเงี้ยหลวงพ่อพอเดินไปได้สักฟากหนึ่งก็รู้สึกแบบเออเราเริ่มมีความสุขเรื่อง สืวว่าร่างกายมันแบบเออจิตใจมันเบามันโปร่งลงเบาอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อถูกสิครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อให้เป็นไงต้องรู้ด้วยตนเองเป็นวินยูชนป่ะครับผมเป็นวิูชนหมบิูชนต้องรู้เองบางครั้งบางครั้งมีารู้สึกว่าเออกูเก่งอะไรอย่างี้มีแบบว่าเออกูเก่งนะอะไรอย่างี้นั่นแหละดีครับวิหารธรรมของของของนี่คือคือคือต้องต้องยังไงต่อไปคือต้องดูแบบที่ที่ดูได้ถูกห ทำความสงบบ้างนะทำความสงบเป็นช่วงๆไปแค่ใจได้พักบ้างจะได้มีแรงเหนื่อยๆกันไปหรือเปล่าครับครับงั้นเดี๋ยวมันฟุ้งไปครับผมขอบพระคุณคุณหลวงพ่อครับการทำพิธีการหลวงพ่อครับจะขอกลับเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าผมเริ่มปฏิบัติ มานั่นพอสมควรประมาณสามปีเสร็จช่วงที่ปฏิบัติเนี่ยดูตามรู้ตามดูแต่เรื่องกันเผลอไปคิดเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงแรกๆเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความสุขเกิดขึ้นมากนะครับเวลาที่มีสติบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตมันเขาทํางานเขายิ้มของเขาเองวาที่มีสติช่วงนั้นเป็นช่วงที่เห็นแต่ความสุขเยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ ยังมีสติทำต่อเนื่องแต่ว่ามันรู้สึกว่าเห็นความสุขน้อยลงมันจะเป็นลักษณะอุเบกขามากกว่ามีสติเราก็เฉยๆอย่างนี้ถูกต้องไหมครับผมแล้วก็เมื่อปีที่แล้วกชงตีนะกชงีแรกก็มีปีติมีอะไรใช่ไหมสุดท้ายก็ลงอุเบกขานะเมื่อปีที่แล้วมีโอกาสไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่สวนสันติธรรม หลวงพ่อเมตตาบอกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นพอแล้วก็จิตยังไม่มีกำลังพอให้ไปทำในรูปแบบผมก็ไปทำนะครับอตอนแรกตามรู้ตามดูลมหายใจหรืออนาปนันญาสติไม่ค่อยได้เพราะว่าจิตมันจะไปเพ่ง<ม>ก็เลยไปเดินจงกรมซะมากกว่า<ม>แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ตามรู้ตามดูได้นะฮะแล้วก็ จะสอบถามจะเรียนถามว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าจิตมีกําลังหรือตั้งมั่นมากขึ้นไหมครับครับจะสอบถามกราบเรียนถามต่อ น, นิดนึงครับว่าปฏิคุณแม่อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยสบายท่านเดินไม่ได้จะขอธรรมะที่จะไปแนะนำให้ท่านปฏิบัติมครับฟังซีดีไหมฟังซีดีหลวงพ่อไหมเคยเอาไปให้ท่านฟังบ้างครับคือคนแก่แล้วนะ ถ้าไม่เคยภาวนาเนี่ยเราแค่ทําให้ใจเป็นกุศลบ่อยๆก็ดีแล้วนะอย่างให้นึกถึงบุญ น, นึกถึงอะไรที่เคยทําบ่อยๆไปนะชวนคุยเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่องที่สบายใจนะแล้วก็ค่อยๆเล่าว่าเราฝึกยังไงรู้สึกตัวแล้วมันดียังไงนะสอนคนแก่สอนตรงๆไม่ได้หรอกนะถ้าแต่ถ้าเขาสนใจการปฏิบัติอยู่แล้วก็เป็นอีกแบบหนึง่ง ทำได้ดีนะโมทนาด้วยคุณครับขอบพระคุณครับดูออกปล่าไม่เหมือนเดิมดูออกครับโมทนาด้วยครับขอบพระคุณครับมรดการหลวงพ่อครับผมฝึกปฏิบัติมาประมาณสามปีกว่าเหมือนกันครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเห็นแต่มันมันไม่ มันมีแต่ทุกข์นะครับมันขับมันมีแต่ทุกข์ขยับแล้วขยับตัวมันก็ใจมันก็บีบก็คั้นครับอ่าเวลานั่งรถรถตู้ไปทํางานอย่างนี้นะครับก็เวลารถมันขยับใจมันก็บีบไปบีบไปแล้วก็คลายบีบไปแล้วก็คลายครับแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันเวลาขยับตัวขยับไปขยับมามันเกิดความทุกข์ ไม่รู้ยังไม่รู้จะแก้ยังไงครับะแก้นเพราะจริงๆมันทุกข์มันทุกข์อยู่แล้วไปแก้ให้มันหายทุกข์ไม่ได้เหมือนไฟมันร้อนนะไม่ต้องไปทําให้มันหายร้อนหรอกแต่ว่าทําไงไม่ให้มันลวกเรางั้นเราเห็นนะความทุกข์มีอยู่นะแต่ใจเป็นกลางกับมันไว้มันจะไม่ทุกข์ไปด้วยครับมันใจมันไม่เป็นกลางครับพอเห็นแล้วมันจะวิ่งไปจับไม่รู้แต่ตรงที่ใจไม่เป็นกลางครับมันต้องต้อง ปฏิบัติยังไงเพิ่มเติมบ้างครับนอกจากใจเป็นกลางแล้วครับนั่นแหละทำบ่อยๆนะยังไม่พอครับที่ว่าเห็นทุกข์มันจะเห็นไม่พอครับผมยังไม่พอันสรุปเร็วไปครับมันบางทีมันกลายมันขยับปุ๊บมันไปแล้วมันทุกขึ้นมาก่อนแล้วไม่รู้จะแก้ไม่รู้จะปรับครับผมมันทุกข์ทั้งหมดเลยครับผมถูกแล้วล่ะครับผมการนมัสการครับ หเดือนก่อนหลวงพ่อให้ไปสํารวจใจมาครับก็ไปสำรวจใจว่าจิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็มันมีเหตุมันก็เกิดเป็นหมดเหตุมันก็ดับอะครับออพอเห็นอย่างนั้นโลกมันก็จิตจืดไปอะครับถูกแล้วอะนะต่อไปเราก็รู้ทุกอย่างนะโลกนี้จืดชืดถูกต้องนะรู้อย่างเป็นกลางนะั้นอย่าไปชืดตามมันไปล่ะใจ เ, ออเราเป็นผู้รู้ไว้ อย่าให้ความจืดชืดของโลกนั้นมาครอบงําใจเรานะเดี๋ยวใจเราพลจืดชืดไปด้วยเราก็ไม่เห็นอะไรที่มันจะเป็นที่พึ่งเนี่ยกะธรรมะเลยครับมีแต่ธรรมะเท่านั้นเป็นที่พึ่งในโลกนี้ไม่มีที่พึ่งหรอกวันหนึ่งเราก็จะได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งครับนี่เมื่อวานนะมีคนหนึ่งส่งจดหมายมาฝากจดหมายมาฝากคนต้องหน่อยมา ปรากฏว่าแกเป็นมะเร็งแล้วให้เีโออะไรเงี้ยแกก็เล่าตลกดีอ่ะผมแกร่วงตอนที่ไปอาบน้ําไปสระผมนะผมร่วงถนอมมากเลยกลัวมันร่วงเยอะในส่วนก็มันรักกายมากหลือเกินสามันปกติเลยร่วงหมดหัวเลยนุ้ยเสร็จแล้วก็ไม่สบายมากนะปวดเจ็บปวดมากแล้วก็วันหนึ่งได้ยินเสียงคนมาเรียกไปไป ไปหาโยมประบาลด้วยกันได้แล้วเรเห็นจิตมันออกากระจายนะไปเลยมืดมืดมืดไปเรืยแกก็ไม่กลัวนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทเอาละว่าจะไปเจอโยมประบาลก็ดูจิตมันไปด้วยนะไม่กลัวนะปรากฏว่าไปแล้วสว่างขึ้นเรื่อยๆไปเจอบ้านสวยสวยงามอะไรเงี้ยแกก็ดูของแกนะแ ก, กไม่หลงสวยงามอีกนะดูไปดูไปเนี่ยทเที่ยวไปที่โน้นที่นี่กลับมาที่เก่า ทำไมเข้านารกไม่ได้เพราะมีสติอยู่ยไว้นะพวกเราฝึกสตินะถ้าเรามีสติอยู่ไม่ตกนารกหรอกถ้าเราขาดสติตกนารกง่ายนะคล้ายฝึกของเราไว้นะฝึกไปเรื่อยหลวงพ่อมีสิ่งไหนเพิ่มเติมให้ด้วยครับฮะมีสิ่งไหนเพิ่มเติมให้ด้วยครับทำทาให้พอนะอยังทำให้พอนะแล้วต้องเข้มแข็งกว่านี้หนะ่อนยะอย่าให้ใจ อ, อ, นะใจ อ, อ, อ่อนแอนะใจยังอ่อนแออยู่รู้สึกไหม ็เขข้มแงอีกกี่ชาติก็จะปฏิบัติไม่เลิกครับเออมันต้องอย่างนี้ถูกใจต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ไปอะไรอ ะ, อะไรบุญชูอะไรสามสี่ชาติเลยไม่พอต้องกี่ชาติก็ต้องสู้นะครบสิบห้าท่านแล้วนะครับช่วงสุดท้ายนี้จะขอทโอกาสตรวจเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหลวงชินแห่งนี้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 ยถาวาริวหฮาปูราปริป oh oh ูเรนตีสะขรางเอวเมวะอีโตดินนางเกตานางอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังขิปะเมวาสมิชชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจ ต, ตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังมีโยเมจีวรมาให้ไหลผื่นนะเดี๋ยวใครไปบ้านตัดฝักไปหน่อยไหมีใครจะไปนะสาโรดหรอฝักสารษที่นั่นก็ต้องใช้จีวรสี่พัน 4, ชุด ที่วัดก็ส่งเหมือนกัน